เป็นรูปอันนี้รู ป, ปความจริงไอ้ที่นั่งอยู่นี่แหละความจริงไหมออ้ความจริงได้ยังไงความจริงว่าเป็นเป็นพระแสดงว่ายังไม่เห็นพระเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นรูปเนี่ย ใช่ไหมอันนั้นเป็นอะไรนะรูปอนั่งอยู่นี่ก็รูปนะเนี่ยไม่ใช่ของจริงมาเขกดูดิ <S <S <S ลองดรูรูปจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นรูปไปนมนพระสงฆ์มาสวดมนต์ที่บ้านหน่อยห้ารูปเนี่ยเดอ๋ยมาเป็นรูปนะแสดงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามัน ม, มีตัวตนนะเนี่ย เป็นแค่รูปนะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรู ป, รปจริงๆถ้าเรามองแบบเป็นรูปเป็นรูปเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ละนี่เราไม่ได้มองเป็นรูปไงเป็นกูเป็นอันนี้เขาเรียกว่าวอะไรเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้นี่รูกอะไรนะแล้วมาขามป้อมดวงตาทดลองเฉยๆนี่ไม่ได้มีเจตนาให้ฉันนะ ข้างหลังเอาหรือยังฮะลองลองจากลูกเรียงใส่น้ำพึ่งเขาหยุดสันแล้วที่แรกน่ะว่าเขามาามพ้อมกับเกลือมา่ามพ้อมป่าเปาไปวางไว้ไม่เอาจิตมันไม่ปรุงแต่งลองเอาเกลือไปทิ้งไว้คนละนิดหน่อย พอเอาน้ำพึ่งลาดมันไม่หยุดปรุงแต่งมันปรุงไงจิตมันปรุงมันน่า จ, จะอร่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้เอาสักหน่อยด้วย <S <S 1> <S 1> คือจริ <S <S จริงปัญหามันในโลกมันก็คือปรุงแต่งกันแหะ <S <S ถ้าไม่ปรุงแต่งมันจะพอดีเลยโลกนี้มันพอดีดูก็รู้นะมีน้ําลายออกนะเนี่ยเอาไปสักลูกไหม มันอยู่ใก้าพริกผลมารยยเสมอนปลาดดยน่นยนะอะจิโนโมโตะใส่เสมอนี่นอะจิโนโมโตะเนี่ยมันแปลว่าอร่อยใช่หแปลว่าอร่อยไหอะจิโนะโมโตะอร่อยหันไีนะ คนตาถามพวกญี่ปุ่นมาแล้วมันแปลว่าอร่อยเอจิโมตโตเนี่ยอร่อยทางอีสานเขาไม่เรียกว่าแปเอจม ต, ตเขาเรียกว่าแป้งนัวมากก็่ดิลิเช่แป้งนัวความปรุงแต่งแล้วจะพรงแต่งไดนะ้นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงหรพวกเจดีย์พวกปฐุมรูปพวกอะไรต่างเนี่ย พวกเรามาปรุงแต่งกันขึ้นมาเองแล้วเราก็เคารพกันเองที่เฉยสารเจ้าเราก็ซื้อมาจากตลาดเอามาตั้งไว้แล้วเราก็กลัวใช่ไหมนั่นเอาไปไล่ดูดิในบ้านเรานะ่ยยิ่งพระก็ เ, เอามาแล้วก็สมมุติเอามาตั้งแล้วก็กลัวเราหลอกเราเองอเดี๋ยวเนี้เราสมมุติเราเคารพนับถืออะไรก็ อ, อลืมเอา พระบรมสาลีรกธาตุลงมาเนาะย้มถวายลงตามมาแปดขวดเนี่ยสีสันต่างๆกันตั้งใจว่าจะเอามาทุบให้ดูนะมาทุบทีละเม็ดละเม็ดว่าจริงๆมันหินอะไรกันแน่นะแต่ว่าหลวงตาเอามาหมดเลยนะกระดูกของพระศิวลีได้มาของพระสารีบุตรพระโมกคลาก็ได้มาเขาเขียนไว้ไม่รูกมันเขียนได้ยังไงพขคงจะไปร่วมงานเผาแมานนี่หมดเลย ขงพระนั่นพระขจายนันณะพระอะไรนี่นะมีหมดนะกระดูกอุ้งเชิงการพระพุทธเจ้าก็มีโอ้เขาได้มาเนะว่าขนาดเมืองแปดเมืองนันไปแข่งกันเอาเขายัางไม่ค่อยได้เมืองสุดท้ายเมืองที่เก้าไปที่หลังนั้นไม่ได้เลยได้ตุมพระธนานได้แค่ที่ตวงมันขนาดแปดเมืองก็ได้แปดจอกเองเขาเผามากแต่นี้ก็มีเยอะนั้นมันก็อยู่ที่ความเคารพความศรัทธานะความเคารพ มัสยิดกรูเซที่ปากใต้นะเขาเคารพนับถือมากเขาเคารพนับถือนะทีนี้พอเขาเข้าไปลบได้นอนทหารยิงมีคนตายกลับกลายเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองรดีนะเห็นไหมเขาวางไว้อันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยในมอดเลย ถ้าเราไม่สามารถที่จะถอนอุปทานในสมมุติออกได้เนี่ยเขาสมมุติเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็ติดสมมุติอันนั้นอ่ะมันติดไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตมันปรุงไงมันปรุงแต่งตอนนี้หลวงตาก็ไม่ปรุงแต่งนะโยมออกไปก่อนเดี๋ยวจะปรุงแต่งกินไม่ได้หรอกไปโลกเราหวานแต่ก็จะพยายามกิน ทยิ่งจิตก็ประมาณนั่นแหละชีวิตนี่แต่เราไม่ปรุงแต่งก็ไม่อะไรปรุงแต่งอันหนึง่งเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์มีคนถามนะว่านี่คิดด้วยสติเนี่ยเราจําเป็นต้องคิดไม่ควเราเนี่ยจําเป็นไหมจําเป็นต้องคิดไหมจําเป็นทําไม่ต้องจําเป็นือจําเป็นต้องคิดไหม จำเป็นไหมจำเป็นนะมีมือต้องจำเป็นต้องใช้มือไหมได้มานี่หัวนี่จำเป็นต้องใช้ไหมหัวคิดเนี่ยใช้นะได้ไหมมือใช้ที่เจาจำเป็นเก็บแขนขาตินมือใช้ที่เจาจำเป็นจิตทีเนี้ยคิดเท่าที่จำเป็นเราไม่ได้ฝึกตรงนั้นมานะว่าคิดเท่าที่จำเป็นเนี่ย มันเผลอคิดมีปัญหามันอะแอบคิดเยอะไหมแอบคิดเยอะไหมทั้งวันเนาะมันทั้งวันนะมันแอบคิดทั้งวันไอสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นประโยชน์ทั้งวันทีถ้าคิดด้วยสติจะเป็นแบบว่าความคิดอันไหนที่เราตั้งใจคิดเออจคิดเรื่องนี้ดูดิจะคิดคิดจบแล้วก็จบแล้วก็วางเนี่ยเาเรียกว่าตั้งใจคิดอยู่ภายใต้การควบคุมของสติ ภายใต้การควบคุมของความรู้รู้ตัวแต่เราฝึกสติในเพื่ออะไรเพื่อให้สตินิวกับเราตลอดเวลาเลยแล้วมันดูแลการคิดตลอดเวลาเลยอะไรคิดดีไม่ดีอะไรคิดเป็นโลภโทสะโมหะ <c oughs> เกิดขึ้นมันจะรู้เท่าทันของมันเองนะถ้ามันมีสติมันจะทํางานแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเรามีสติน้อยเนี่ยมันจะแอบคิดอยู่เรื่อยปัญหาเนี่ยถ้าเราตั้งใจคิดเนี่ยมันจะมีลอกซักอันหนึ่งตั้งใจคิด พอตั้งใจคิดคิดปุ๊บแล้วก็หยุดมันหยุดไม่ได้เนาะมันยาวไปเลยขนาดเดินไปนู่นเดินมานี่มันขโมยคิดอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะสติเราไม่ได้อยู่กับตัวเราเราจึงพยายามฝึกสติเพื่ออะไรเพื่อดูแลมันไม่ให้มันขโมยคิดนะไม่ให้มันแอบคิดการคี้ความคิดแบบนั้นเขาเรียกว่าความคิดที่มันเป็นอุปทานที่มันแวบขึ้นมาแวบขึ้นมาเนี่ยพอมีอุปทานหน่อยมันก็จะใส่ข้อมูลเข้าไป ความโลภโกรธหลงเข้ามาอีกการมุขปาทานที่ถูกปาทานอัตวาทุปาทานศีลปตุปปาทานมันเข้ามาทันทีนทีนี้เราก็ปฏิบัติการฝึกสติเพื่ออะไรจะเจ้าสติเอาตัวควบคุมความคิดเนีมาไว้ในใจเราให้อยู่กับเราตลอดเวลามันก็เกิดตามกระบวนการและลึกรู้และลึกรู้และลึกรู้ให้ต่อเนื่องเพื่อให้ตัวสตินั้นเกิดขึ้น ทีนี่วิธีการฝึกสติไปสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดภาวะอันหนึง่งขึ้นมาในใจเราเนี่ยหลายๆคนปฏิบัติไปง่วงเห็นตัวง่วงหรือ ย, ยังโอ้โหเห็นมันแต่ว่ามันยังไม่หายไปเนาะมันยังม า, าอยู่แสดงว่าไฟของการเห็นเรามันยังไม่พอเหมือนสว่างไปแล้มันจะหายไปเลยเพราะว่าตัวง่วงมันปเป็นเงาแบบหนึ่งนะแต่เราฉายไปมันยังไม่หลุดออกไป มันยัมาแอบเข้ามาในใจเราอยู่พวกนี้บางทีละน้อยละน้อยละน้อยว่าเข้ามาทีนี้เติมสติใส่และลึกรู้และลึกรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวปรุงตัวแต่งตัวฟงสันตัวหูนิด ต, ตัวพวกนี้เป็นอุปสรรคอนี้ตั้งใจว่าจะพูดสักห้านาทีนะเนี่ยแต่โยมตั้งใจฟังดีมากเลยอาจจะพูดเยอะกว่าขึ้น เราต้องรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าเอาคนนี้ออกไปจากใจภาวะที่จะเกิดตามมาอันนี้พูดถึงเรื่องอารมณ์นะไต่ขึ้นทุกวันนะมันจะมีอาการของคำ ว, ว่าความสว่างมาถึงวันประมาณเนี้ยวันที่สี่เจห้ามันจะมีสว่างใจเนี่ยเกิดสว่างขึ้นมาสว่างที่กลางใจเกิดโล่งเกิดโปร่งเกิดสบาย ขึ้นมานะบางคนสบายน้นอยแต่บางคนสว่างจ้าบางคนสว่างจุ้ยเนาะถามหน่อยคนไหนมีเจอคำว่าโล่งๆโปร่ง ๆ, งๆสว่างขึ้นมาหน่อยในใจมีไหมยกมือขึ้นมีน้อยก็เอามีน้อยกเอ็เอาเอาเยกมือขึ้นยกมือขึ้นหลายคนอยู่เนาะเอาเอาเป็นขั้นต้นของการทํำวิปัสสนานะ โอ้มีน้อยตีหายไปหรือยังมีไม่บางวันรู้สึกตัวชัดเจนต่อเนื่องกันสักนาทีสองนาทีสามนาทีดีใจไหมทำได้โอ้ดีใจเนาะได้เนะานะก็ดีใจเนาะมีท้องทกหมดกุ้งนอนสะดุ้งจนเวือนไหว ในตัวรู้น้อยขึ้นมาความรู้สึกตัวเนี่ยแค่นี้ความรู้สึกตัวทําไปทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนสว่างมันจะโ ล, งลง่งโล่งของโปร่งขึ้นมาในใจบางคนสว่างย่าขึ้นมานะทารีว่าเป็นเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมนะมันสว่างมันโล่งขึ้นมานะเราจะแยกออก ท, ทันทีว่าจิตคิดเป็นยังไงจิตไม่คิดเป็นยังไงมันเริ่มเห็นแล้วเมื่อก่อนไม่รู้ ไม่คิดว่าความไม่มีความคิดก็มีด้วยเหรอมนุษย์เนี่ยอืแต่พอสัมผัสอันนี้มันจะเริ่มรู้จกักโอ้ไม่มีความคิดเป็นแบบนี้เนาะมีความคิดเป็ น, นี้แล้วจะเริ่มมีเป้าหมายละคนปฏิบัติธรรมพอสัมผัสตัวว่างตัวโล่งได้สน่ิทพอเห็นมันไม่คิดเป็นนี่นะ่ะตะบันแหลกเลยตามฆ่าอะไรกูที่นี่ปวดหัวขึ้นมาดินเนี่ยว้านะยไม่ไหวสู้ไม่ได้คือหมายความว่าคล้ายๆเราเห็นลู่ทางแล้ว บุกเลยนะ่ถ้าเป็นมวยก็เดินหน้าลุยลุ ย, ยดเข้าไปเดินสอกคนสับเอาสับเอาดีโอภาษภาษาโอภาสาาแล้วเราจะหลงนะบันทีหลงว่าเฮย้ยมันโลกมันปโปงโอ้ยความคิดหายไปมันโลกจริงนึกนว่ายิ้มในใจกูบรรลุระดับหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> เนี่ยปัญหามันคือจะหลงว่าตัวเองได้บรรลุธรรมนี่แหละปัญหามันน่ะอย่าหลง อยหลงทางนะเนี่ยเกิโรพาสเกิดความสว่างขึ้นมาในใจเนี่ยเดินเบาเท้าไม่ค่อยนั่นแหละเดินโลง่งโปร่งโ อ, โอ้สบายเดินตะบีตะบันได้ทั้งวันนะ่ะสนุกเกินจังนะเรือบเลิดเพลินกับการทําความเพียน<ม>ก็นึกว่าได้ขั้นหนึ่งไม่ใช่นะโอาพาสเพราะอะไรที่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเราวัดว่าถ้าปฏิบัติธรรมถ้าเกิด อ, อารมณ์ เกิดความสว่างเกิดความบาอที่เขาเกิดสว่างแจ้งเนี่ยกิเลสหลุดไปเลยก็มีนะเขามาวัดกับตัวตัวสังโยชน์สิบเนี่ยถ้ามันสว่างขึ้นมาอันดับแรกก็คือสักกายะที่ความสําคัญมันหมายตัวตนตัวตนนี่น้อยลงไหมถ้ามันสว่างขึ้นเขาบอกว่าวอันนี้มันเป็นอนาตานะเนี่ยไอเ น, นี่ยไม่มีตัวตนนะั้นเป็นเพียงรูปนะเนี่ยไอเ น, นี่ยมันเฉยกับรูปนี้ได้ไหม มันปล่อยวางได้ไหมรูปอเนี่ยยังเห็นว่าเป็นกายกูไหมอันนี้บางคนไฟละมันสว่างขึ้นมาส่วนใหญเขาจะรู้เฮ้ยช่างหัวมัน เ, เจ็บก็ช่างมันจะเริ่มมีคำา น, นี้ขึ้นมานะเดินไปเลยเจ็บก็ช่างไม่ใช่ของกูละอันนี้เนี่ยนะมันจะเริ่มมันจะเริ่มสลายอัตตาอันนีพอได้ตัวรู้มันมีความสว่างขึ้นในใจเนี่ย มันจะเฉยใครว่าอะไรใครดูถูกดิวมินหยุดยามอะไรรู้สึกว่ามันสบายขึ้นอนะ่ะมันไม่ยึดติดแล้ว อ, อันเนี้ยจะมาถูกทางอเนี่ยแต่ถ้าสว่างร่มงขึ้นสัหน่อยแล้วหายไปก็เหมือนเดิมเนี่ยอาการของความยึดมัน่นถึงมันในตัวตนเหมือนเดิมเจ็บว่ากลัวเจ็บกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยผิด สำคัญมันไหมในอดีตนะคดรูปว่าติดรูปมีเวทนาขึ้นมาก็เจ็บปวดติดเวทนาติดความคิดเก่าๆติดสัญญาติดสังขารคือมันทิ้งไปไม่ได้แต่ถ้ามันเห็นความว่างในใจความมันโล่งสักระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มปล่อยวางรูปปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารจิตเราเนะี่ยนั้นเราวัดว่าเวลามันโล่งมันโปร่งขึ้นมาจิตมัน มันดีดตัวเองสว่างแจ้งขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นว่าอมภาวะไม่มีทุกเป็นแบบนี้เนาะมันจะรู้แต่ดีโอ้ไม่ทุกนะวันนียมืดเร็วจังวะขําเร็วจังเนี่ยพระตีละครังเร็วจังกําลังเจ๋วเลยเนี่ยมันจะมีนะแต่เมื่อก่อนมันไม่เป็นนะว่าหลับอยู่หรือเปล่าเนี่ยนานตีนี้ือเดินเนี่ยระคังอูระเบือเต็มที่จะนึกว่าจะไม่ทันเวลานะมันหนาวก็หนาวนะเนี่ยคนที่ไม่ได้อารมณ์นั่นเหรออยู่ใต้การเวลา ยังไม่ดีเลยคังหอบไปแล้วกลัวแต่คนเข้าห้องน้ําก่อนเพิ่นเฮ้ยกลัวอาบที่หลังกลัวไม่เสร็จอาบน้ำนแล้วคนปฏิบัติทำทำมันไดอารมณ์ดีมันจะรีบอาบน้ํารีบเสร็จรีบมาบางคนเขาไปเดินจุกงกลับมายังไม่ออกจากห้องน้ำเลย롱ตายยืนดูนะนะยังเออเราเหยอยู่นั่นแหละเสยผมนนันนี้อยู่แต่งตัวนะวันนี้ลงตาก็เก็บหวีได้อันหนึง่งแต่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับพร ะ, ระก็เลยไม่เอามา มันเป็นหวีแบบมีมีเจาะรูหางหางมันหน้าห้อยนั่นะนั่นมีเ่าไม่อยากไปสำคัญมั่นหมายนะถ้ารู้สึกมันโล่งมันโปร่งมันอะไรขึ้นมาก็มันโล่งมันโปร่งขึ้นมาก็เดยวสำคัญมันหมายว่าบัตรรบัรู้ทำแต่ก็คล้ายๆว่าเออมันเริ่มมีน้ำซึมน้อยๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นขุดนะขุดดินก็ขุดมาเนี่ยเริ่มมีน้ำซึมสักน้อย มีโยมคนหนึ่งได้อารมณ์มันเนี่ยแต่ได้อารมณ์แบบแปลกๆจักน้อยนะพอมันล่งโป่งแล้วจะอาเจียนออกมาทันทีพโอรโ่วงสนอทเ่ะอาเจียนออกมาเหมือนกิเลสมันจะออกทางปากเลยนะเดินไปแสดงว่ากออกมาอยนี่นะแต่กิเลสไม่ออกนะขี้จะออกนะมันะ เพรมันเป็นแบบนั้นมีนะคือคือเริ่มวันวันนี้ยจะเริ่มมีละเริ่มมีปัญหาเรื่องวิปัสนาวันที่หนึ่งสองสามจะเริ่มสู้กับความง่วงคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่วันสี่ห้าหกเนี่ยเอาละอารมณ์เริ่มจะได้อารมณ์ละอะเราควระวังญาติโยมควระวังช่วงนี้แหละที่จะติดอารมณ์ไม่ติดอารมณ์เนี่ยนะก็ดูแลกันให้ดีก็ดูแลประมาณช่วงนี้แหละก็ได้เดินดูแลดูน่นดูนี่หน่อยประมาณนั้น ก็เอาใจใส่เพราะว่าช่วงนี้มันจะได้อารมณ์คนที่ไม่ได้อารมณ์ก็คือทำให้ได้อารมณ์ช่วงนี้ทำไม่ได้อารมณ์คนที่ได้อารมณ์แล้วมันจะออกนอกทางมันจะหลงตัวเองก็ช่วงนี้จิตนะนั้นเราก็ใส่ใจสังเกตดูอ้าวนี่โอภาษบางทีมีอาการอันนี้เกิดขึ้นเลยนะเกิดยานยานยานยานยานยานย่อยักษสารนอนหนูเนี่ย ยานแปลว่าแปลว่าพาหันะยานแปลว่าพาหันะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้พาหันะสติมันไม่เร็วสติมันไม่เร็วมันก็วิ่งไม่ทันความคิดเมื่อก่อนมันเป็นยานในน้อยในน้อยก็เป็นหินในยานหินในยานเป็นยานน้อยแต่พอทรมากเข้ามาเขามันเป็นมหายานมันเริ่มไวแล้วสติเริ่มเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า เริ่มทันความคิดสติจริงๆเนี่ยมันแปลว่าไปวาแเล่นสรติสรรติแปวันเล่นไปวานเล่นเร็วนะสติเป็นปฏิปักษ์กับความคิดความปรุงแต่งดังนั้นถ้าสติเราดีสติเราเนี่ยมันจะแล่นทันความคิดที่ความคิดมันแวบขึ้นมาเนี่ยสติมันไม่ทัน สติเรามันไม่ทันความคิดเพราะอะไรเพราะเราพัฒนามันยังไม่เป็นญาณอย่างที่เขาบอกว่าเป็นปัญญาญาณเป็นมหายานเป็นมหาสติเนี่ยมันไม่ไวมหาแปลว่าใหญ่สติใหญ่หรือยังสติแมหาแปลว่ากว้างมันกว้างหรือยังมหาแปลว่ามากมันมากหรือยังมันยังไม่มากแต่พอณนะจุดนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีอาการแล้วเราจะเริ่มเห็นนะ่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ อยู่ๆอู่ๆเนี่ยมันก็เกิดทันความคิดขึ้นมาความคิดเกิดขึ้นมาเห็นความคิดความคิดดับไปเลยเอ้าว่างจู่ๆความคิดก็ว่างน่ะเพราะสติเห็นความคิดความคิดว่างว่าเอ้าจะเริ่มดีใจขึ้นมาพอมันจะคิดมันรู้พอมันจะคิดมันรู้พอมันคิดขึ้นมาเห็นมันก็ดับไปเขาเรียกว่ามันเกิดยานอย่างรู้อย่างรู้ทุก ม like ันเริ่มเกิดตรงไหนเห็นแล้วขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อเริ่มเห็นนี่ยโอมันจะคิดเรื่องนี้นะมันจะคิดเรื่องนั้นนะมันจะเริ่มเห็นก่อนแต่ก่อนนี้สติไม่พอพอที่จะเห็นแบบนี้คือมันต้องมีน้ำหนักนะมันถึงจะเห็นแบบนี้ถ้าสติไม่พอก็เห็นแบบนี้ไม่ได้คือมันหลุดอยู่เรื่อยๆมันคิดไปแล้วมันถึงเห็นคิดไปแล้วมันถึงเห็นแต่ตอนนี้มันจะเริ่มเห็นไปเราจะเริ่มดีใจโอ้ยกูเริ่มทําได้แล้วว่าอันนี้ก็จะเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้สําคัญนั่นหมายว่า ออมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเอาละพอละแค่นี้อะไรประมาณนี้ทีนี้บางคนไม่เป็นแบบนั้นทีนี้เกิดเบอร์อิมเกิดปีติขึ้นมาขนลุกขนลุกขนพองสยองกล้าวขนหัวลุกก็มีมันมีปีติอย่างโลดผลเลยก็มีนะบางคนมันเหมือนจะเป็นแบบเป็นบ้าเลยนะ แต่ควบคุมไม่ดีพอเนี่ยแต่ปีจิที่เกิดด้วยวิธีการยกมือสร้างชีวะเนี่ยมันจะไม่เป็นปานนั้นมันจะเป็นน้อยน้อยคือมันจะลงโลกมีความเออปิมใจมีความดีใจดีใจแล้วอยากไปบอกคนนั้นอยากไปบอกคนนี้อาการนั้นเนี้ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมวายผมทำาไมอารมณ์ดีจังสบายตัวอย่างน น, น้นอ่านี้เดินเบาแข่งเบาขามีไหม ยังไม่มีนะโอ้มียิ้มคนเดียวเออเขาเริ่มมียิ้มคนเดียวบ้างก็มีปีติขึ้นมาบางยิ้มคนเดียวดีใจดีใจเรื่องอะไรดีใจเรื่องอะไรไทุกแทบตายค้งนั้นก็ดีใจเหรอหก็เลยดีใจโอ้โหดีใจอธิบายไม่ได้นี่เป็นปัจจิตังเนาะ แต่ว่ารู้ในข้างในมันดีใจอ่ะอกพาดมียามีปีติอกันตาปีติพาลนาปีติอุเพยคาปีติโอยมีปีติหลากหลายรูปแบบแต่ปีติเนี่ยเราจะมีสติควบคุมมันถ้าเราเลือเล่อนลึกรู้ปีตินี้จะเริ่มกลายเป็นสมาธิขึ้นมาจะดีนะนะตัวพัดตัวสว่างแจ้งขึ้นมาในใจเนี่ยเรานึ่ว่าเราบารรลุเกิด ญาณ น, นึกว่าบรรลุปิตินึกว่าบรรลุบางทีจิตมันนิ่งเราก็ว่าบรรลุคือบรรลุไม่บรรลุก็ทําอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวัดตรงที่อัตราตัวตนมันลดไหมความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมบางทีพอรู้โอเชื่อแล้วว่าธรรมะมีจริงมันขึ้นมาแบบนี้เชื่อหรือยังว่าธรรมะมีจริงเชื่อไหมว่าการดับทุกข์นี่เกิดขึ้นในนอนเชื่อไหมอืมมันได้เริ่มแม้แต่กว่าแล้ว ใช่นะ่าจะต้องเรื่องวิเศษวิโสแล้วเรื่อง อ, อะไร่ะมันต้องเป็นเงื่อนไ ข, ขของมีบุญบารมีแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละอยู่ที่ขยันบารมีเนี่ยถ้าใครขยันใครตั้งใจทําก็ก็ดีโยมคนหนึ่งที่กลับไปวันเนี้ยเขามา ก, ก่อนเราทั้งหมดนะผู้จัดการอะไรไม่รู้นะไปคุยกับหลวงตาน้ำตาไหล คือเขาบอกว่ า, ามันคือมันคล้ายๆว่าตอนนี้เขาเริ่มมีความคิดว่าชีวิตี่หน้าที่ที่มาก่อนอย่างอื่นก็คือการทําหน้าที่การดับทุกข์แต่ก่อนเขาไม่ได้คิดว่ามันจะดับทุกข์ได้ชีวิตเนี่ยพอมาฟังเลยการดับทุกข์มันเป็นไปนเรื่องของหน้าที่ของเรานะนึกว่าเราไม่มีทุกข์แกว่านึกว่ามีเงินเงยทองมีข้าวมีของ แต่เขาก็บอกว่าหลวงตาผมเห็นอารมณ์ผมอยากมีอยากเป็นมันขึ้นมามันน่าขยะกขยแงงมากแต่ก่อนผมไม่เคยเห็นเขาก็เลยมาถามว่าให้ผมทํายังไงเนี่ยผมกลับไปเนี่ยพูดเด่นน้าตาไหลนะูปีติเออปิ่มดีใจเกิดปีติวันหนึ่งมันมันทอแท้เขาว่าผมก็เกิดคิดคุูรู้สึว่หลวงตาว่าคนนั้นก็ตื่นสว่างคนนี้ตื่นมา แล้วทำไมเราไม่ตื่นสว่างแล้วไม่ได้กับเขาบ้างเล้อชีวิตเนี่ยมองไปทางสายตาขวาเขาก็ได้ผมก็เลยฮะตายไปตายมันจะกลับแล้วเว้ยเนี่ยตั้งใจทำบางทีบอกพอทําไปก็เกิดภาวะแบบที่เขาโอ้เลยไม่สงสัยไม่สงสัยมันก็เลยเ อ, อบอิ่มดีใจอยากมาอีกแล้วเนี่ยหลวงตาครูพระเจ้า ช, ชวนผมมาผมจะมาอีกอยู่เนี่ยที่บก็คร <c oughs> จะมาปฏิบัติธรรมยิก ได้ดีใจภูมิใจมาปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่าน่ะความความตั้งใจความเข้าใจมันเปลี่ยนไอตัวลังเลสงสัยในมรรคในผลลังเลสงสัยว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็สามารถถึงทำได้ตัวเราเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องคนอื่นเนี่ยมันเริ่มเริ่มมีความมั่นใจเรื่องนี้ขึ้นมาละเป็นเรื่องของเราละทีนี้แล้วก็อยู่ในวิสัยภพนี้ชาตินี้ ที่จะปฏิบัติรู้เห็นเนี่ยนั้นเวลาเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นไหมมันจะเห็นอย่างนั้นไหมคือตัวสาคัญบ่นหมายในอัตราตัวตนของตั ว, ตวเองลดลงไหมบางคนเกิดปีตีเกิดสมาธิมากมายนะบางทีแต่ว่าไม่มีอะไรลดลงเลยคือไม่สามารถที่จะผันไปเป็นปัญญาได้ มันก็จะได้รู้สึกรู้สึกอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไอ้ความรู้สึกตัวนไม่สามารถที่ไปกระเทือนของกิเลสอาสวะสังโยชน์ที่อยู่ข้างในใจเราเนี่ยได้ชีวิตเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยข้างในมีแต่เรามาขม่มเมื่อไหร่ถ้าเราปฏิบัติทำถ้าเราข่มความคิดมากๆเนี่ยเรากดความคิดมากๆพยายามกดความคิดชสังเกตได้ก็ได้ บุคคลคนนั้นนะจะข่มคนรอบข้างเมื่อไหร่ที่กดข่มความคิดเนี่ยเราจะกดข่มกับคนอื่นกดข่มกับพี่กับน้องกับลูกกับล้านกับสามีกับปัญญาอะไรประมาณเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราข่มตัวเราเราจะข่มคนอื่นจิตเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยแบบจิตมันสบายเห็นด้วยปัญญาเนี่ยเราก็จะใช้ปัญญากับคนอื่นนะมันอยู่ที่ว่าเราได้อะไรเดี๋ยวเนี่ย เดี๋ยนี้เราไม่เห็นธรมธรมชาติธรมธรมะธรมธรมะธรรมะคือธรรมชาติที่มันปล่อยมันวางเองโดยธรรมชาติเราไม่ได้เห็นมว่าอันนั้นแต่สิ่งที่เราเข้าใจคืออยู่ภายใต้การกดกันข่มกันอดการทนอะไรประมาณเนี้ยนั้นมันไม่ใช่ปัญญาอันนั้นงั้นพอเราเราไปใช้คนอื่นเราก็ไม่ได้ใช้ปัญญาความลังเลสงสัยในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ ก็เกิดขึ้นจากการคิดว่าเกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือเกิดจากปีติเกิดอะไรจากอะไรขึ้นมาบ้างแต่ตัวตัวสังโยชน์เนี่ยมันไม่กระเทือนมันไม่สั่นไม่สะเทือนมันไม่ไหวถ้าเป็นเสาเนี่เราโยกโยกปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเกิดโอภาษเกิดสว่างเกิดโล่งมาหน่อยเรามีความมั่นใจเฮ้ยเสานี่มันออกได้นี่มันโยกได้นี่วะกิเลสเรานี่ยมันโยกได้ เพราะในจังหวะหนึ่งที่มันเกิดภาวะอันนี้ขึ้นมาในจิตมันจะโ ล, งลง่งโปร่งมันจะเบามันมีความมั่นใจดีเอ้ยไม่มีกิเลสเป็นแบบนี้เหรอเพียงแต่ว่าเรารักษาภาวะนี้ไม่เป็นเขาเรียกว่ามันเริ่มมีนิพพานชิมลองเกิดปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเราก็มาใส่ใจที่จะเฝ้าดูมันโอ้เป็นนี่เนาะแล้วเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธ ที่เกิดขึ้นในใจอันดับแรกนะเนี่ยเวลาเกิดภาวะอันนี้มันจะหายไปความเชื่อเรื่องผีมีคนกลัวผีไหมเลยเนี่ยได้อารมณ์และความกลัวผีนะั้นมันจะหายไปถ้ามันเป็นปัญญานะความกลัวผีหายไปความสําคัญมันหมาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตะกุดมนยันคาถงคาถาเนี่ยไม่มีไม่มีลงตาเนี่ยพอรู้รูปนามทีแรกก็หายไปเลยเนีพวกเนี่ยหายไปเลยไม่มีเลย ผีนี่ไม่มีอะในผีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็รู้สึกสบายสะดวกสบายจิตใจมันแจ่มใสมันไม่กลัวกลัวอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบที่คนเอามาหลอกเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่ปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษเนี่ยผีแบบเมื้นผีแบบนี้เนี่ยมันหายไปมันไม่มีในใจอ่ะ พอเกิดและนี้ขึ้นมาหายแต่บางคนเกิดปิติแต่มันก็ไม่หายพอไม่หายเขาคงไม่เลี้ยว่ามันยังไม่เกิดปัญญาคุณจะคิดว่าคุณเข้าใจธรรมะเพราะมันไม่ได้ช่วยให้ตัวสังโยชน์พวกนี้หลุดออกไปจากจิตความสําคัญมั่นหมายความยึดติดในกายความลังเลสงสัยในภาวะของสติที่สามารถดับทุกข์ได้เนี่ยมันยังไม่จางแล้วความ ยึดติดในวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมไอ้ความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรายึดติดครับเป็นของเราเป็นอะไรประมาณเนี่ยหรือสถาบันเราอย่างเงี้ยมันหายไปไอ้ความยึดติดแบบนะั้นมันหายคือมันไม่มีอ่ะมันรู้สึกโอ้มันไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนเมื่อก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นเป็นกรรมของเขาอย่างเงี้ยมันจะเริ่มปล่อยวางพ่อแม่ตายก็ธรรมดา นางวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีมีลูกอยู่ยี่สิบคนเลยนะผัวแก็ไม่ยอมไปปฏิบัติธรรมนะผัวนะ่ะรู้จักผัวนะผัวแต่บางคนไม่รู้นะผัวเนี่ยหลวงตาก็ไม่ค่อยรู้นะเห็นคนมหาหลายคนโยมมากับใครมากับแฟน วันไหนเป็นแฟนนะอันนี้นะ่ะลูกเอา้าลูกทำไมว่าแฟนลูกนี่มันต้องได้กับแฟนหรือได้กับผัวเอ <c oughs> ไ, ได้กับผัวนะมันต้องได้กับผัวนะลูกนะแต่แปลกมากก็บอกว่าเขาได้รับนี่แฟนหนูค่ะอุย้ยตายาเธอเียงว่ายังไม่แต่งงานกันเนาะแฟนเนี่ยคือจีบกันนะเป็นแฟนใช่ไม้มหรื อ, อยังไงเดี๋ยนี้มันมั่วไปหมดมนไม่รู้แฟนหรือผัวนะ นะบางทีก็เรียกว่าฝาละมีนะนี่มีแฟนแล้ อ, อยัง <c oughs> มีแล้วนะ <c oughs> ได้เมียแล้วนะเนาะได้ลูกกี่คนเอามาแบ่งให้พระบ้างดิลูกถ <c oughs> ูกแถบตายนะลูกคนเล็กอายุเท่าไหร่ไม่คิดจะเอามันไปปฏิบัติธรรมบ้างเหรอ ไปมาแล้วเด้อเป็นดีขึ้นบ้างไหมดีบง้งมันได้อารมณ์ไหม <Yeah. S 1> ไปหมดเลยคร <Yeah. S 1> อ, อบครัวนี้ตระกูลนี้อยู่นครสวรรค์นะมันมีคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมนะ <Yeah. S 1> เขาชื่อว่าคุณนอกแนวนะกลับมาแล้วแจกเลยให้คนละเท่าไร mm hmm. คนละหมื่นบาทถ้าใครไปวัดสมณเจ็ดวัน หมดไปหลายหมื่นเป็นแสนกว่าแล้วออืคนมันไม่มีงานทําไม่กล้าไ ป, ไปไปไปเป็นยังไงโวยมึงมึงไม่คุ้มหรอกหมื่นนึงค่าฉีดยาก็ไม่พอปวดไปมดเอวที่มันมันว่าไม่คุ้มเนละยคิดว่ามันจะคุ้มเราถ้าไปโอบรมที่จุฬาพอดจุฬาพอดเขาออกมาคนไปเจอหลวงตางที่งานร้อยปีหลวงพ่อเทียน ส่วนรถไฟนะโยมผู้ชายอวนๆเขเป็นผู้จัด ก, การอะไรก็าไม่รู้นะเขาไปกราบลงตาลตาครับเนาะกราบขอบพระคุณลงตามากนะที่หาภรรยาใหม่ให้ผมเนีย่ยเขาพูดเขาดีใจอา้าวปห า, าตั้งแต่เมื่อไหร่กูเป็นพ่อสือตั้งแต่เมื่อไหร่วะลงตาก็เงียโยมภรรยาใหม่ที่ไหนก็นี่ไงครับเนี่ก็นี่ไงนี่ไงทีลุงตาก็มองหน้าจาได้ไม่ได้บ้างแนะ เขาเปลี่ยนไปคนละคนนะเขาว่าลวงตาไปทํำยังไงภรรยาผมถ้าเปลี่ยนไปได้เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงเป็นในทางที่ดีขึ้นเนี่ยผมเออยู่กับเขาผมสอนมาตลอดยังไม่ได้ดีขึ้นเลยลวงตาทำสองวันได้โอ้ยผมกราบหลวงตาครับหลวงตามีปัญหาอะไรอยากได้อะไรบอกผมนะเขาบอกนะหลวงตาอยาได้โยมไปปฏิบัติทำ อ, นนอันนี้ยังไม่ได้เขาอันนี้ยังไม่ได้เขายังรับประกันไม่ได้น ถ้ายากลำบากนั่นมันก็เปลี่ยนไปนี่แหละ ว, ว่าจะพูดอยู่ไม่กล้าพูดอันนี้มีภรรยาเขามารับประลองแล้วว่าเปลี่ยนไปได้โอเป็นอย่างนั้นเลยเนา ะ, ะนั้นก็พูดเรื่องของของวิปัสสนูปกิเลตกิเลสที่เกิดขึ้นจากอารมณ์พิปัสนามันจะมีอยู่สามตัวที่แหละมันจะเป็นปัญหาท่านเรก็พยายามสังเกตสังเกตอารมณ์เราเนี้ย มันทีมันมีความสว่างเกิดขึ้นมันมีความรู้โอ้มันเกิดความรู้บางทีรู้นั่นรู้นี่ขึ้นมานะจากไม่รู้รูปนามก็รู้รูปนามแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจนี่ก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาแล้วมันจะสาคัญมันไหวว่าเรารู้นะปัญหาเรีเยก ว, ว่าสำคัญมนไหวว่าเราบรรลุธรรมอะไรไประมาณนี้แล้วทำไม่เกิดความ ติดค้างยับยั้งการปฏิบัติธรรมติดอยู่ในระหว่างพวกนี้นะแทนที่เราจะเริ่มดูใหม่ตั้งใจใหม่ดูใหม่สิดูต่อไปเช่นมันก็เริ่มไม่ดูเพราะว่ามันมาภูมิใจดีใจกับสิ่งที่เป็นเนี่ยนั่นก็ให้สังเกตให้รามัดระวังเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสชื่อมันนะกิเลสในอารมณ์วิปัสนาดงั้นท่านจะต้องเฉยกับทุกอย่าง อะไรเกิดขึ้นกระเฉยวอะไรเกิดขึ้นกระดูมันได้เจอะเลยลึกรู้เฉยๆนะ